ขอพูดตอบจากวันศุกที่สิบเก้าคือตอนที่ได้เฝ้าท่านว่าสี่วันข้าพเจ้าได้ขอใบมีจากท่านความรู้สึกเหมือนกับท่านต่อยมาที่นือมาไปที่มือตัวเองเห็นดาจากท้สองมอท่านว่าเอาไว้ช่วยกัาปราบสิ่งชั่วร้ายและไว้ทําการอันเป็นกุศลจะเป็นผลทั้งสิ้นคือตอนก่อนหน้านี้ข้าพเได้ ข้ามีดหมยมาจากที่วัดที่หลวงพ่อปลุกเสกวันนี้ตกกราบถามวงพี่วิชาท่านบอกว่าเป็นมีกราบผีของท่านท้าวเวสสุวรรณตอนนี้ได้โ อ, อ ก, กาสมากราบท่านก็เลยขอท่านให้ใจตะมันชอบเลิกจีด้ก็เลยขอท่านให้มีดที่มนึให้วันนี้ตอนก่อนออกจากสมาธิเหมือนจะมีเสียงทักให้ลุกได้ คือตอนหลังมันมเร่องหลวงพ่อบอกว่าจะให้ออกกลับได้เองคือไม่ต้องให้มีอาจารย์เรียกกลับก็มีความรู้สึกว่าท่านแม่มาเรียกให้ลูกได้ก็หันไปมองที่นายจ่าพอดูตัดเสี่สิบห้านาทีตามที่ตั้งลอาไว้ก่อนกลับก็กลับสำดักตรงปัจจุบับนท่านตรัสว่าให้พยายามมาหาท่านทุกวันท่านจะสอนอะไรให้ คือเหมือนกับท่านสอนว่ า, อ ย, าอย่าขาดจากการปฏิบัติอันนี้เพราะว่าเพิ่งจะเริ่มถ้าพยายามทำติดต่อกันไปเท่าที่จะทําได้วันเสาร์ที่20ขึ้นหกขําขึ้นไปไหว้พระที่พระจีร ม, มีแล้วก็ได้พบขึ้นพ่อศุนติด้วยตามหลังท่านพาเข้าไปในปาสาทท่านมีความใจดวงใหญ่อยู่ในตู้ที่ตกแต่งสวยงามมาก ท่านพ่อแบบว่าสร้างไว้เป็นปที่ถวายเองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากําลังจะคูยกับท่านพ่อก็เห็นหน้าเด็กคนหนึงโผล่มาข้างๆคือเป็นภาพด้านข้างของแกรู้รว่าด็กคนนี้เป็นลูกแต่อดีต ด, ด้วยกําลังดูใบหน้าแกว่าหน้าตาสกน่ารักสีตาโตแล้วก็แก้มยิ้มใช่มันจับหน้านั้นมาติดๆยู่ที่หน้าอะไรด้วย สักครู่ก็พอดีเสียงลูกฝ้าน้ำลืเกเกข้าประตูเลือด ก, ก็เลยตื่นจากพลังตอนนั้นที่ไงเห็นใบหน้านั้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าตอนนั้นจิตลูกคงจะมุ่งตรงมาที่ข้าพเจ้าจิตของเราก็เลยรับมองไปเห็นว่าเป็นใบหน้าของลูงกลูกเพืสักครู่ก็เลิกครูอะไรนิดหน่อยแล้วก็เลิกไปเข้าห้อ ง, องน้องทานข้าพเจ้าก็เลยกลับมาทำสมาธิต่อ ต้องมีความรู้สึกว่าอยากจะออกไปเที่ยวอะไรอะไรตอนอะไรให้มากกว่านี้ก็เลยติะต่อกันตอนนั้นมาที่ที่ออกไปนี่อาจจะสั่งได้แค่อุปจารณที่ก็ได้เพราะว่าไปแบบง่ายๆความสึกว่าไปเห็นก็เห็นแบบง่ายๆจิตดังคงจะไม่เข้าฌานถึงฌานสีแน่ๆหรือยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน แต่รู้สึกว่ามันไปแบบง่ายๆลึกเห็นก็เห็นยันงไงตอนนี้ก็ขอไปกราบสมเด็จองค์ปัจจุบันท่านที่พรเทพเป็นผู้เมตตาพาไปท่านว่าตามที่ม า, น, านี่แดนพรนิพานนะท่านที่พามาถึงปุ๊บก็มีความรู้สึกว่าท่านให้มาดูว่ามันเป็นสุขเพียงใดสว่างสวัยสวางสวยกว่า มันมันจะถึงหรู้เปลา ก, ก็ไม่ทราบอาจจะเป็นเพราะจิตตอนนั้นมันดีดีหน่อยหรือว่าย่างไรก็ไม่ทราบควรู้สึกว่าสงางสง่ายมากในใจตอนนั้นก็น้อถึงคําของที่วิชาขึ้นมาทันทีคือเดือนก่อนมากราบท่านท่านพูดเกินเอาไว้ว่าพระนิพานนะพวกเธอไปเที่ยวได้แต่อยู่ยังไม่ได้พอกําลังดึงชมนิวถึงท่าจุดบนนั้นก็มีความรู้สึกว่าไปไม่ถูกไปไปเที่ยวบนนั้นไม่ถูก ก็เลยกลับลงมาคาห้วงปู่ปานเห็นท่านอยู่บนอาสนะท่านนั่งนิ่อย่างเมตตาและบอกเป็นเชิงให้ไปกราบสังเดจองค์ปัจจุบันเถอะท่านพี่พรที่พาเข้าไปมาหยุดหยุดหน้าที่ประทับพระ อ, องค์ท่านท่านไม่อยู่ในดอกบัวกแก้วแคลวคลาวองค์ท่านหอมจีวรพระพัก อ, อุ้มอีกข้าพเจ้านั่งอยู่ห่างท่านด้เหมือนยากคล้ายๆมีอะไรอยู่ข้างหน้าทําให้เข้าไปไม่ได้ ก, ก็จะกราบขอคำสอนจากท่านพอขอเท่า น, นั้นเขาเพ้่อนก็เห็นเ <c oughs> ทียนสีขาวลอยตรงข้างหน้าสองเล่มแล้วก็โดยว่า เ, เราไปเห็นเทียนได้ยังไงเนี่ยในเมื่อเรากำลังพูดอยู่กับพระ อ, องค์ท่า น, นอยู่ก็โดยตามไปเรื่อย ก็เห็นว่าเทียนมันลอยอยู่เฉยๆสักครู่ก็เห็นว่าเทียนเลื่อนขวามือของข้าพเจ้าเนี่ยถูกตัดท้ายออกเหนือครึ่งเล่มแล้วก็ตัดออกไปนนิดเดียวก็ได้ยินรู้ด้วยจิตว่าท่านตัดว่าถ้าเทียนมีน้อยเวลาจุดไฟก็ลุกได้ไม่นานก็ดับใช่ไหมเพราะไม่มีเทียนจะให้เผาชันใดก็ชันนั้นถ้าเราตัดขันห้าคืร่างกายได้กิเลสคือความเล้าร้อนก็มไม่มีจะเผาเราได้ พอเราตัดเหตุซะแล้วพอท่านตรัสจบข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกเข้าใจได้แจ่มแจ้งว่ามีความรู้สึกว่าคำสอนของท่านนี้กินใจมากไม่เหมือนกับที่ข้าพเจ้าได้รับฟังจากภายนอกสมาธิแต่ถ้าจะให้บรรยายให้ขยายความขององของที่ท่านตรัสไว้คิดว่าจะต้องกินความมากแต่พ่อสั่งไว้ว่า ท่านสอนยังไงบอกมายังไงก็ให้พูดให้เขียนตามนั้นไม่ต้องไปขยายความหรืออะไรทั้งสิ้นพอเข้าใจถอนจากสมาธิก็เลยมาเขียนบรรยายเอาขยายความเอาให้เข้าใจตามนั้นรู้สึกว่าต้องใช้คํามากกว่าตั้งสามเท่าแต่เมื่อมาบันทึกในเทป ก, ก็อยากจะขอเอา <c oughs> แต่คําที่พระองค์ทรงตรัสไว้ แล้วแต่ท่านผู้ฟังจะพิจรารณาเอาตามสติปัญญาเข้าพเจ้ากราบลาพระองค์ท่านแต่ก็ไม่ลืมแยะมากราบท่านแม่จิตวันนี้เห็นแถวองค์ท่านแม่ชัดขึ้นเป็นแก้วกระกายออกสีทองอ่อนๆแต่แววาวาวหมดรรรศรรศรรพระครูซาสีเสลวหดสลองพระองค์สีทองอ่อนๆโดยเหมือนสีพุทราคําแต่อ่อนกว่านิดนึง่ง ่อนจะกลับนี่รู้สึกว่าไวัยมากผมมีใครมากระตุกที่นิ้วหัวแม่โป้งทั้งสองเท้ารู้ทันทีว่าถ้านให้กลับได้จึงเลืนตาดูนาฬิกาแปดโมงสามสิบห้านาทีวันนี้ไม่ได้ตั้งเวลาไว้เลยคิดว่าเอาเป็นสุดแล้วแต่ท่านจะให้ไปเที่ยวได้ก่อนจะกลับนี่ไปกราบหลวงพ่อที่วัดด้วยเห็นท่านนั่งอวนอาสนะสอนกรรมฐานท่านยิน้มไหมว่าเออใช้ได้ข้าเพเจ้าไม่จะพูดอะไรก็กราบนาหลวงพ่อแล้วก็กลับ วนันที่ที่ยี่สิบเอดเคล่อนเกตข้ามเดลต้าวันนี้ท่านที่พรที่รรมกราบท่านแม่สีและท่านแม่จิตบนดาวดึงก็งงมีการประชุมกันเห็นนางฟ้านั่งเป็นไปหมดลักษณะที่นางฟ้านั่งนี้ก็นั่งเหมือนกับพื้นที่เรานั่งกันธรรมดาไม่มีเก้าอี้อะไรใดๆท่านุ่นมีความสุขว่าท่านนั่งเหมือนจะเบียดกันได้ซ้ําคล้ายๆกับ ที่เรานั่งเจริญพระกรรมาฐานกันที่บ้านพวกพกโกมอะไรอย่างนั้นคือท่านนั่งกันเต็มไปหมดก็มองตรงไปเห็นท่านแม่สีประทับอยู่บนถ้าจะพูกสับทางโลกเราก็เหมือนเป็นบรนลงังอะไรอย่างนั้นข้าวเจ้าก็เดินตามที่พรทุพไปเพราะท่านพาเข้าเดินไปตรงกลางพอเดินท่านเดินปุ๊บ ก, ก็เหมือนกับนาวฟ้าทัานกแหลกทางให้ข่าวเจ้าก็เดินตามไปไม่รู้สึกกลัว เห็นท่านแม่นม่ผิดแม่ใกล้อยู่กับท่านแม่ซูแต่เห็นมือท่านแม่ผิดเรื่อยๆท่านว่าวันนี้อย่าลืนไปหาพระสุนเจ้าด้วยนะท่านจะสอนอะไรเพิ่มอีกท่านที่พรทิพยพาเพิพ่มขึ้นประกาศสมเด็จองค์ประจุบันดังที่เราตั้งใจไว้โซ่ขั้นโซ่ตัดตือนขักเจ้าว่าเที่ยวบารมีศิษให้เข้มไว้กับตัดขันห้าสองอย่างนี้ทําให้หนัก วันนี้ท่านเสด็จมาไกลใกล้ไม่เห็นไกลอย่างเมื่อวานนี้แล้วเสงกัดว่าไปกราบหลวงพ่อด้วยนะข้าพเจ้าก็เข้าไปพบหลวงพ่อที่วิมานท่านคนเดียวตอนนี้ท่าที่พรที่หายไปไหนก็ไม่ทราบไม่นักเห็นข้าพเจ้าเข้าซุ้มประตูไปเห็นหลวงพ่อ น, นั่งบนที่ประทัดยิ้มอย่างเมตตาท่านกวากมือเรียกให้เข้ามาได้ข้าพเจ้าครานเข้าไปกราบท่านว่าท่านท่าน ตอนว่ามันฝึกให้เคร่องอย่าพิายามให้ขาดแม้สักวันในระหว่างยังไม่ได้พบฉันที่วัดท่านว่าให้ตักสังโยชนให้เด็ดขาดสามตัวแรกก่อนค่อยๆไปใ น, นฐานท่านว่าจะมากราบหลวงพ่อที่วัดเสาหน้าได้ไหมเจ้าคะท่านยิ้มเฉยๆไม่เห็นว่าอะไรตอนนั้นคิดว่าเป็นการอนุญาตตปวนี้ตัวเสร็จก็เลยกราบเรียนท่านว่า หนูอยากขอเรียนต่อเจ้าค่ะคย อ, อยากไปต่อที่วัดถ้าหลวพ่อเห็นว่าอันนี้พอจะใช้ได้บ้างแล้วคือพื้นฐานพอจะเป็นทางที่จะปฏิบัติต่อไปได้แล้วตอนนั้นด้วยความง้ขอท่านไปบอกว่าขอให้ท่านช่วยสอวิชาสามให้ลูกด้วยท่านก็ว่าเอาสิตั้งใจมันฝึกฝนไย้ก็แล้วกันแล้วก็ลวกเลยลงมาลาท่านแม่จิตพอดีเสียงทัให้ออกพอดี แต่ออกมาแล้วใจก็ยังไม่อยากจะนุ่จึงอยากทำสมาธิต่อก็กำเนิดภาวนาต่อต่อไปหน้ายิ่งบูชานั้นเห็นหลวงพ่อมายืนอยู่ใกล้ๆด้วยความรู้สึกสิติก็เกิดขึ้นอีกแต่สิ่อย่างคือมามาที่เวลาพบอง์ไหนๆก็ต่างควสุกมันบางครั้งคิดว่าคงจะดีใจมากๆที่ได้เห็นท่าน แต่ภาพในนั้นในสมาธินั้นมันไปอย่างเฉยๆใจมันเฉยๆไม่รู้สึกดีใจมากแล้วก็ไม่รู้สึกว่าติตุอะไรมากอย่างที่คิดเอาไว้แต่พอมาเห็นท่านขึ้นนอกกลับรู้สึกว่าอยากจะร้องไห้วันจันที่ยี่สิบสองขึ้นตอดข้าเดือนเก้าวันนี้เห็นพระเจ้าอยู่หัวเป็นข้อสงวนที่พุทธามันมด้คือก่อนที่จะเห็นพระเจ้าอยู่หัวนี่ ข้าเจานะ้าอ่านนสื่อหลวงพ่อนึกขึ้นมาได้ถึงหลวงพ่อองค์ยิ้งที่หลวงพ่อท่านเห็นก็ไม่ทราบว่าท่านเป็นองค์ไหนอยากจะขึ้นมากราบท่านบ้างพอขึ้นมาถึงพขจุรามณีแล้วก็เลยขอท่านขอเห็นหลวงพ่อองค์ยิง้งปรากฏว่ามองไปมองม า, ม า, มาเห็นพระองค์องค์ท่านนั่งอยู่ใส่สาท้อนห้อยแว่นตาทําให้ข้าพเจ้านึกว่าเอ๊ะพระองค์ไหนเนี่ยท่านใส่แว่นด้วย พอคนนึกว่าเอแค่นั้นก็ภาพก็ชัดขึ้นทันทีปรากฏเป็นพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านผงจีวอนเหลืไอ่เหมือนบันเทิงโพรนาอยู่ต่เมาก็ขึ้นมากราบหลวงพ่อที่วิมานท่านมาที่หอละคังก่อนแล้วขึ้นไปข้อเทียสารทีคือใจมันอยากจะฟังว่าระครังวันนี้จะเสียงกรงวานเพราะแค่ไหนก็รู้สึกว่าเสียงดังกลางวานแต่ไม่ ไม่เอ็ดหนุกหูแต่กลางวันไปไกลพอออกจากลคลองคังก็มากราบหลวงพ่อท่านให้ดูดาวข้างลูกพานามีความรู้สึกว่าดวงดาไม่ยิงสูงเหนือเลฆแต่จะ เ, เหนือสักแค่ไหนนี่ดาวไม่ถูกผลกันมีประสาทบ น, นั้นสวยงามอยู่หลายหลังหลวงพ่อองค์ท่านสายเป็นแก่แต่ก็ยังทรงจิ้งจ้ น, นวันนี้แต่จะมาไม่ตั้งท่าที่สามเห็เพื่อเลือกมากราบพระฤๅษ ออกไปแล้วก็มานั่งทําต่อพอรุ่งเข้ามากวนแล้วก็หยุดเป็นยงนี้ตั้งสามทักขอวันนี้ขอท่านดูนายล็อกคือใจตั้งใจว่าจะขอดูแต่ยังไม่ทันจะคิดเพื่อจะไปดูระหว่างที่ยังอรอจะเพื่อที่อื่นก่อนก็ปรากฏหน้าใบห น, าหน้าหนึ่งโผล่เข้ามาเป็นใบหน้าของนายเอริสเมทลสที่แกเพิ่งจะตายเมืเ่อหลายวนนี้ ทีแหน้าก็มองว่าเอ๊ะหน้าใครนั่นมานอนดอูหน้าซี่ผมจะขาวบอกว่าหน้าตาจะเหมือนเอลิโซใครนะพนุษย์ว่าใครแค่นั้นภาพประทับว่าจิดก็รู้ว่านี่เป็นนายเอลิโซแน่ๆภาพที่เห็นนั้นกำลังระแคงทางข้างขวาส่วนมุมปากด้านซ้ายนั้นมีเลือดไหลเกลือนแล้วเหมือนผิดผิดท่อนเตือนันเห็นไยครับจะมีอะไร เกิดอยู่หรืออะไรไม่ทราบอันนี้หมอไม่เห็นจริงๆเห็นแค่ใบหน้าเท่านั้นแต่นี้นว่าภาพนั้นไม่ใช่ภาพของคนที่ได้รับความสุขเข้าใจว่ากําลังอยู่ในนรกคือท่านมาปรากฏท่านองคไดองหนึ่งโคเมตตาให้ทําปรากฏให้ข้าพเจ้าเห็นให้รู้ว่าที่เราเห็นเห็นชอบชอบอยู่น่ะกลงในนรกตอนนี้นะเพราะเด็กๆที่ชอบหนยเอรุสมาก จึงกลาวถามองค์ใดองค์นึ่งที่อยู่ใกล้ๆนั้นถามออกไปว่าดูท่าทางเอร็ดไม่นคนสนใจดีแล้วก็ได้เงินฐานเงินหาทองมาได้มากแกก็งคงทําบุญทำทานบ้างเหมือนกันไม่ใช่หรือเจ้าคะก็ท่านก็ตอบมาว่าักก็ทําอยู่เหมือนกันแต่ลักษณะาการทําบุญของแกเป็นการทําเอาหน้ามากกว่าไม่ได้พี่จะสงเคราะห์ อ, อะไรแล้วก็ข้อสําคัญตอนตายจิตแกไม่จับถึงเป็นกุศลเลย เพราะขณะมีนีวิมอยู่ไปให้จิตเนิ่งสงบในเรื่องการที่เป็นส่วนมากท่านพูดมาแค่นี้ท่านเจ้าก็เข้าใจดีตอนนั้นจิตมันไม่ได้เนิงว่าจะที่เสื่อมะเสื่อมอะไรท่าไหร่ไมไม่ได้มนิงก็่ราเมื่อเนิ่ไปแล้วทำไตอนหลังๆมีความสุกว่าจะเคลิ้มเคมหลับไปหรือยังไงก็ไม่รู้เพราได้ยินเสียรูึงรู้สึกว่าตินเอาแต่สมาธิ พอลุกขึ้นก็จําไม่ได้ว่าเมื่อก่อนที่จะ ล, ลุกเนี่ยเราไปเที่ยวที่ไหนมาเอาจะว่าอะไรน่แย่มากๆเมื่อก่อนเดือนนี้ก็ไม่ไดี ท, ทัดเย็แท้แต่ก็ยังไม่ได้สอบใจ ต, ตัวเป็นกําลังใจว่ายัางดีที่ได้มากาบหลงพ่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้หูหัววันเวลาที่23ขึ้นก้าวข้ามวันนี้เร า, าจะเริ่มทำสมาธิลูกก็หมาป่วนจะให้นอนด้วย ก็เลยใช้กำหนดภาวนาไปจนหลับวันพุธที่ยี่สิบสี่ตอนกลางคืนพอเริ่มสักเคจบรูปก็มาเลือด ก, ก็เลยภาวนานอนหลับไปอีกกะอาวสตร่นขึ้นช้าจะทำแทนตอ น, นกลางคืนนี้ก็ตื่นขึ้นตีห้าของวันด้วยขึ้มปกติถ้าไม่ไม่มีอะไรจะต้องทำก็อยากจะนอนต่อไปอีก พอนุกข์จะนอนต่อนอนยังไงก็นอนไม่หลับก็เลยดิ้ขึ้นมาทําสมาธิถาวายองค์พระพุทธเจ้าพอใจสบายก็เลยถือโอกาสขึ้นพระกรรมฐ า, านไปเลยดอกมม้ที่ซื้อมาก็มีดอกรักแข็งมาหนึ่งดอกทั้งที่ตอนที่เด็ดกการไม้ไม่เห็นว่ามีดอกรักไม่ทราบหรืออาจจะพลาดไม่เห็นไปก็ได้ทําให้ไม่ถึงท่านเทพคิด วนนี้อธิษฐานว่าถ้าจะไปขอไม่ให้เล้นจะได้ไหมเอาแค่ส่งเตาร่างเขาคิดว่าเผือว่าเราจะไปเที่ยวครางไหนถ้ามีคนนั่งใกล้มากจะได้ไม่ทําให้คนข้างเคียงเสียสมาธิด้วยและอีกประการหนึ่งก็จะได้ไม่ไม่มีใครรู้ว่าเราไปเที่ยวนี้ไม่ได้ไปเพราะตอนนั้นคิดว่าหนึ่งไม่ไม่อยากให้ใครรู้เลยว่าจะเป็นการปวดอะไรไป คือคิดที่บันทึกตอน แ, แรกก็คิดว่าจะเก็บเอาไว้เอามาคิดตามภาษาเด็กๆว่าจะเก็บเอาไว้พิมพ์เป็นเนตใ น, นสื่อางนานศพของตัวเอง <S <S คิดว่าจะไปเปิดเผยตอนนั้นคือคือไม่ไม่ทราบเจตนาของหลวงพ่อคิดว่าเราไปได้ก็ตามภาษาของเราจนไปได้เองจะทำไรได้ไปเห็นอะไรก็เป็นเรื่องของเราท่านมาโกรดเลยแค่นั้นไม่คิดว่าหลวงพ่อท่านมีเจตนาจะให้ เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยตไปที่แรกในวันนี้เห็นท่านพี่ทั้งสี่พาไปฟ้าสมเด็จองค์ปัจจุบันเลยวันนี้เห็นองค์ท่านเหมือนพระที่สุแต่ท่านไม่ได้โกนผมท่านสวยอินแสงประกายที่ออกมาเป็นสีทองทองประกายวาลแต่ไม่แสบตาพระเกศาท่านดันสนิทพระพักอุม่ม พระพักท่านนี่เหมือนรูปของที่แข่เขาวาดมากกว่าที่จะเหมือนพระพุทธรูปที่เป็นปูนปั้นอะไรนั่นเข้าไปเจ้ากราบท่านแล้วก็นั่งมองอยู่เป็นตาขณะนั้นพอจะไม่ถามว่าพระองค์คือพระพุทธเจ้าองค์ที่เท่าไหรนะจิดก็บอกทันทีว่าคือพระสันนัโคดมเข้าไปเจ้าเห็นหลวงพ่อท่านนั่งอยู่ใกล้ๆด้วยเข้าไปกราบหลวงพ่อแล้วก็กราบพระพุทธเจ้าด้วย ความรู้สึกเหมือนกับว่าพ่อและลูกได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมๆกันอยู่สักครู่ผลเด็ดท่านก็สเสด็จไปเ ข, ข้าไปใกล้เพลิเข้าไปใกล้หลวงพ่อท่านเอามือเลูบหัวไล่มาเกดถึงหลังตอนนั้นความรู้สึกอบอุ่นบอกไม่ถูกท่านพูดให้กำลังใจว่าทำถูกแล้วทำต่อไปเถอะอย่าท้อถอย ตอนนั้นอยากเข้าไปกอดขาท่านแต่ทำไมทำไม่ได้ก็ไม่รู้ท่นั้งที่รู้สึกว่าท่านใจดีมากอาจจะเป็นความเคารพเกรงผัวท่านมากเป็นมความรู้สึกเกรงใจท่านจริงๆที่จะไปรบกวนท่านอย่างนั้นแต่ว่าความกลัว น, นั้นไม่มีแล้วท่านนี่เวลาอยู่ปกติลู้เพือท่านมากข้าพเจ้ากราบท่านแล้วก็ออกมาเพราะว่ามีามรู้สึกเป็นที่ที่ หลวงพ่อท่านได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อท่านไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนก็ยังไม่อยากไปก็เลยออกจากสมาธิพอดีลูกมาเรียกจึงจําภาพพระองค์องค์งงสมเด็จองคปัจจุ บ, บันที่ติดตาอยู่แล้วนึกถึงพระเมตตาของหลวงพ่อท่านด้วยที่ท่านต่อให้กาลังใจอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้พบท่านมีความรู้สึกคิดถึงท่านมาก ก็ใช้วิธีไปกราบท่านที่วัดบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะเห็นไปวันศุกที่26ขึ้นติดสองค่ำมาถึงวัดหลวงพ่อเกือบสามทุ่งพอเลิกงานก็รีบจับรถเที่ยวสุดท้ายมาถึงมาลงแพรที่หน้าตลาดเดินมาทางอาคารเสริมสี พอดีเมื่อก่อนที่จะมามาทางด้านนี้ข้าพเจ้าก็นึกว่าถ้าพบหลวงพ่อก่อนก็จะดีหรอกจะได้ขออนุญาตท่านพักที่นี่ใกล้ๆท่านเกรงว่าถ้าเราไปพักเลยนี่จะเป็นการถึงวิสาสะมากเกินไปพอดีเดินมาถึงก็พบพี่น้อยพี่น้อยชะโงกหน้า อ, ออกมาถามว่ามาดูว่าใครบอกว่าหนูเองค่ะสักครู่พ่อก็โผล่ อ, ออกมาพอดีเลยดีใจที่สุดที่ได้เห็นท่าน ท่านาพี่น้องบอกว่ารัชนีค่ะหลวงพ่อก็บอกถามว่ามายอยังไงมาสี่คนแล้วท่านก็บอกว่าให้ไปพักได้เป็นอันว่าข้าพเจ้าก็ขึ้นไปพักที่นั่นอย่างไม่ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจอะไรนะักพออาบนะ้ำอาบท่าเสร็จก็มาทานข้าวแล้วก็มาฟังสิงตามสายวันนั้นยังไม่ได้เริ่มรับสีงแปดคิดว่าเอาแค่วันอุโบสถ ฟังเสียงตามสายวันนี้รู้สึกถูกกัระดิกของตัวเองท่านสอนนุกระสินสิท่านว่าถ้าจะเริ่นอิทิลิสต้องทํากระสินให้ได้ทุกกองกองอย่างช้าไม่เกินสามวันแต่ว่าอย่าลืมว่าเก่งถ้าทําได้เนี่ยมันได้เงินทีท่านว่าถ้าจะให้บรรลุนกเข็มต้องกจำแบบที่พระพุทธเจ้าสอนลูชายในช่างทองที่ให้เท่งกระสินดอกบัว การเพ่งกระสินแบบของพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีพิธีมากจับได้ตลอดให้เป็นประดยฉับพันไม่ว่าจะนั่งยืนเดินหรือกําลังเหนือ่อยนาหรือเมื่ อ, อไหร่ก็ได้ที่เราคิดจะจับก็ต้องจับได้ทันทีนั่นจนึงเรียกว่าใช้ได้หลังจากจบคําสอนก็มานั่งฝึกมโในมในยิทิอีกฝึกในห้องที่พักฝืนจะคือความรู้สึกไม้จะไม่ได้ขอจะไม่โน้มคุณเราไปศืนอันนี้เป็นอาการที่ไม่ดี คือูนจะไม่ล้มยิ่งฝูนก็เลยต้องล้มลงไปขณะที่กำลังทะ เ, เลาะกับตัวเองอยู่นั้นก็จะล้มหรือไม่ล้มอะไรก็มีควาสุขลูปออกไปเห็นท่านพี่ทั้งสรีมาที่ยือตีสองข้างไปเลยแล้วท่านก็บอกว่าชักช้านะพอถึงพระกรามมีท่านก็พาไปกราบสมเด็จองพระพุทธกระสุท่านกรัดว่า การนาวัดครั้งนี้ให้สำเรินกายวาจาใจาไว้ให้ดีจะมีการทดสอบด้วยถ้าผ่านลูกก็จะได้เรียนรู้อะไรไปอีกบารมีสิทธิที่บอกไว้ทําให้เป็นนะแล้วท่านก็ทวนให้ว่ามีข้อไหนไหนบ้างพอท่านทวนให้จบข้าพเจ้าก็จะมาว่านึกทวนเองอีกครั้งหนึ่งพอก็นึกได้แค่เ้าข้อนึกเท่าไหรก็นึกไม่ออกจรอธิษฐานยาก ถ้าเป็นปัญญาในฌานจริก็ขอให้รู้ว่าขาดตันไหนคือตเมนั้นมีความสงสัยอะไรบญญางอย่อยู่นิดๆท่านก็พิสูจน์ให้เห็นหลายๆอย่างแล้วก็ถึงได้จึงรับที่จะรับฟังอย่างเป็นที่ขณะที่ถามว่าขาดตัวไหนทันใดคําว่าวิริยกะก็ปรากฏขึ้นเป็นตัว อ, อักษรชัดเจนขพระเจ้าก็เลยมั่นใจแล้วก็แน่ใจว่า ตัวนี้แหึงต้องต้องเป็นตัวที่ทำให้หนักด้วยก่อนที่จะกราบก็ไม่ลืมแวะกราบหรวงพ่อคือใจอยากเห็นหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลายยแล้วพอไม่อจะกราบท่านก็เห็นท่านวันเสารที่ยี่สิบเจ็ดึ้นติดสองค่ำเดือนเก้าตอนเช้าไปหลวงพ่อฉันเช้าพวกเราพี่เพื่อนๆและข้าพเจ้าได้เข้าไปช่วยในโรงครัวทำอาหาร แล้วก็เลยชวนกจนมากราบหลวงพ่อที่ที่แนะนําว่าเผื่อท่านจะเมตตาเปิดอะไรท่านก็จะเรียกไปเองถ้าท่านไม่เรียกเข้าไปแล้วก็กราบแล้วก็จะกลับกันพระเด็นหลวงพ่อก็เลยเมตตาให้คุยอะไรกันนิดหน่อยถามถึงให้ข้าเจ้ามีโอกาสได้ฐานถึงผลการปฏิบัติระวังที่ไม่ได้พบท่านท่านบอกว่าเป็นไง ท, ท, นทํำธรรมสมาธิทุกวันหรือเปล่ากราบเรียนท่านว่า ทำทุกวันก็้าวแต่บางวันก็ได้มากบางวันก็ได้น้อยในถามหลวงพ่อท่านญาติที่หนูออกไปไหนไห น, ไหนมันนี่หนูบันทึกเอาไว้จะดีไหมเจ้าคะแล้วเพื่อนๆ เ, เขาขอเอาไปอ่านจะได้หรือเปล่าไม่ทราบว่าจะเป็นกา ร, รอวดอะไรไปหรือเปล่าหลวงพ่อบอกว่าได้ได้ให้เขาอ่านการดีบันทึกเอาไว้บันทึกอารมณ์ไว้ตลอดว่าตอนนี้รู้สึกยังไงอะไรยังไงจะได้ค น, นไนึกหนเจ็บว่าให้ลูกหลานอ่านถ้ว่าอย่างนั้น กา ก, ก็เลยแล้วก็ท่านสอนหลายหลอย่างท่านบอกว่าตอนกลางวันท่านจะให้เปิดโบสถซ้อมกันข้าพเจ้าก็ไม่ทราบจะทาาํายังไงก็ยังไงก็ต้องรับปากหลวงพ่อไว้ก่อนท่านใช้อะไรจะต้องทําให้ได้ที่อย่างนั้นท่านบอกว่าให้ข้าพเจ้าช่วยมันั่นเพื่อนไปไปสึกกันในโบสก็รับปากรับคํากับท่านว่าจะทํา ขอเล่าจบไว้แค่ตอนนี้ก่อนจะขึ้นถึงตอหนหลวงพ่อให้สึดในโบสกันในเทพม้วนต่อไปค่ะ